14. อภินยานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงอภินยา 193. ปอรรท่านไม่ยอมรับว่า Ático. ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตต์ใช่ไหมสกใช่ป ร, รบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่ไม่ใช่หรือสอกอใช่ป ร, รหางบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปรมัตต์ร้อยเปรท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจกฉิปธรรมใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลบางคนฟังเสียงด้วยที่พยโสทตทาาได้รู้จิตของบุคคลอื่นได้หวนระลึกถึงชาติปางก่อนได้เห็นรูปด้วยที่พยะจักษุได้ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาศวะได้มีอยู่มิใช่หรือสอกอใช่ปรหากบุคคลบางคน ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาจวะได้มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัตปรมัตต์ร้อย้าสิบหสกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตตใช่ไหมปรใช่สก บุคคลผู้แสดงฤทธิ์ได้เท่านั้นจึงจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้แสดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้ 196. อก้าสบกบุคคลผู้ฟังเสียงด้วยทิพยะโสตทาตนได้รู้จิตของบุคคลอื่นได้หวนระลึกถึงชาติบางก่อนได้เห็นรูปด้วยทิพยะจักษุได้ทําให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้จึงจัดเป็นบุคคล บุคคลผู้ทำให้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวะไม่ได้ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอภิญญานุโยคะจบสิบห้าถึงสิบแปดญาตกานุโยคาทิว่าด้วยการซักถามถึงญาติเป็นต้น 197. ร้อยเก้าสิบเจ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตใช่ไหม สอกอใช่ปรมานดามีอยู่ไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากมานดามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่งรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ร้อเก้าปดปรท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่งรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ใช่ไหมสอกอใช่ปร บิดามีอยู่พี่ชายน้องชายมีอยู่พี่สาวน้องสาวมีอยู่ประชดมีอยู่พรามมีอยู่แพทย์มีอยู่สูตรมีอยู่ครหัสมีอยู่บรรพชิตมีอยู่เทวดามีอยู่มนุษย์มีอยู่ไม่ใช่หรือสกอใช่ปอรหากมนุษย์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิปะถะปรมัต ร้อยเก้าสิบก้าเพราะท่านเข้าใจว่ามารดามีอยู่จึงยอมรับว่าพระพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกระทะประมัาจใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นมนารดาแล้วมาเป็นมนารดามีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวไม่เคยเป็นกษัตริย์ไม่เคยเป็นพราหมณ์ไม่เคยเป็นแพทย์ไม่เคยเป็นสูตรไม่เคยเป็นครหัตไม่เคยเป็นบรรพชิตไม่เคยเป็นเทวดาไม่เคยเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์มีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สก บุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 200. สองร้อกเพราะท่านเข้าใจว่ามารดามีอยู่จึงยอมรับว่าพระพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปรมัตใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางคนเคยเป็นมารดาแล้วไม่เป็นมารดามีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลบางคนเคยเป็นบิดาเคยเป็นพี่ชายน้องชายเคยเป็นพี่สาวน้องสาวเคยเป็นกระจัดเคยเป็นพราหมณ์เคยเป็นแพทย์เคยเป็นสูตรเคยเป็นฆราห์ตเคยเป็นบรรพชิตเคยเป็นเทวดาเคยเป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นมนุษย์มีอยู่ใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นญาตกานนโยคาทิจบ19ปฏิเวทานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงผู้บรรลุธรรมพระอริยะ201ปอรอท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัติปรมัตใช่ไหมสอกอใช่ปรบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่มิใช่หรือสอกอใช่ปรหากบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่งรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตสองร้อสองปรท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บ yes? right? e. e ha ุคคลได้โดยสัจ <terrain. S 2> <Huh? S 1> ิกถปรรมะใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีมีอยู่บุคคลผู้เป็นพระอนาคามีมีอยู่บุคคลผู้เป็นพระอรหันมีอยู่บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตมีอยู่บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตมีอยู่บุคคลผู้เป็นกายสักขีมีอยู่บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตามีอยู่ บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตติมีอยู่บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีมีอยู่บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีมีอยู่ไม่ใช่หรือสกอใช่ปรหากบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจประถะปรมัทิตย์สองสากเพราะท่านเข้าใจว่า บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถาปรมัตใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นพระโสดาบันแล้วมาเป็นพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สองร้อยส่สกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นพระสกธาคามีไม่เคยเป็นพระอนาคามีไม่เคยเป็นพระอรหันต์ไม่เคยเป็นอุปโตภาควิมุตติไม่เคยเป็นปัญญาวิมุตติไม่เคยเป็นกายยศักขีไม่เคยเป็นทิฏฐิปัตตะไม่เคยเป็นสัทธาวิมุตติไม่เคยเป็นธรรมานุสารีไม่เคยเป็นสัทธานุสารีแล้วเป็นสัทธานุสารีมีอยู่ใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอหสงกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตใช่ไหมปอรอใช่สก บุคคลบางคนเคยเป็นพระโสดาบันแล้วไม่เป็นพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลบางคนเคยเป็นพระสกทาคามีเคยเป็นพระอนาคามีแล้วไม่เป็นพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปฏิเวธานุโยคะจบยี่สิบสังคานุโยคะว่าด้วยการสักถามถึงสงฆ์สองยหปรท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจกถปรมัตใช่ไหมสก ใช่ปรอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลมีอยู่มิใช่หรือสกอกใช่ปรหากอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจัติปรมัตต์สองเจ็ดสอกเพราะท่านเข้าใจว่าอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลมีอยู่ จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตมะใช่ไหมป ร, รใช่สอก อ, อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลปรากฏได้ เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปอรอใช่สกเมื่อพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าปรินิพานแล้วบุคคลก็ขาดสูญไปบุคคลไม่มีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสังฆานุโยคะจบ สิกัจจสภาคานุโยคะว่าด้วยการจักถามถึงสภาวะแห่งสัจกัติสองร้อยแปดสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกัตถปรมัตใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังกตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าว อ, อย่างนั้นสกบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองร้อยเก้าสกบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ใช่ไหม ปรใช่สกนอกจากสิ่งที product, ่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สามอีกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอง้อยสิบสกนอกจากสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สามอีกใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุ์ทั้งหลาย ทาสองประการนี้ท่าสองประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งทาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสองท่าที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี้คือท่าสองประการมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, รใช่สอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่านอกจากสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สมอีกสองสิบอ็ดสก บุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมปรใช่สกสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอยสอกขันเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพานเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 บุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมปอรอใช่สกวิญญาณนิพพานและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอสิบสี่สกบุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่มีความแปรผันปรากฏใช่ไหม ปอรอใช่สกบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมสามประการนี้คือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความดับสลายปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความแปรผันปรากฏ บุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่มีความแปรผันปรากฏดังนั้นบุคคลจึงเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสองอสิบหสกบุคคลไม่มีความเกิดขึ้นปรากฏไม่มีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่ไม่มีความแปรผันปรากฏใช่ไหมปรใช่สก บุคคลไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระสูัที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิษุทั้งหลายอาสังขตะลักษณะแห่งอสังขตะธรรมสามประการนี้เคือ 1. หนึ่งความเกิดขึ้นไม่ปรากฏสองความดับสลายไม่ปรากฏสเมื่อดำรงอยู่ความแปรผันไม่ปรากฏบุคคลไม่มีความเกิดขึ้นปรากฏไม่มีความดับสลายปรากฏ เมื่อดำรงอยู่ไม่มีความแปรผันปรากฏดังนั้นบุคคลจึงเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสองอสิก่อบุคคลปรินิพานแล้วมีอยู่ในนิพานหรือไม่มีอยู่ในนิพานปรมีอยู่ในนิพานสกบุคคลปรินิพานแล้วเป็นผู้เที่ยงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลปรินิพานแล้วมีอยู่ในนิพานหรือไม่มีอยู่ในนิพานปอรอไม่มีอยู่ในนิพานสกบุคคลปรินิพานแล้วเป็นผู้ขาดศูนย์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอสิบเจ็ดสกบุคคลอาศัยอะไรดำรงอยู่ปอรอบุคคลอาศัยภพดำรงอยู่สกภพไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 ท่านไมยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปะธรรมะใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลบางคนเมื่อสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยสุขเวทนามีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากบุคคลบางคนเมื่อสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยสุขเวทนามีอยู่ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r สองร้อยสิ219ปรท่านไม่ ย, ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัฏฐะ p a r a m a ใช่ไหมสกอใช่ปรบุคคลบางคนเมื่อเสวยทุกเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนา มีอยู่ไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากบุคคลบางคนเมื่อสวยอทุกขสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยอทุกขสุขเวทนามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปะฏปรมัตสองร้ยสิบกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนเมื่อสวยสุขเวทนา จึง um รู้ชัดว่าข้าพเจ assim, <Yes. S 1> ้าสวยสุขเวทนามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรธรรมใช่ไหมปรใช่สก <oru> บุคคลผู้ที่สวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยสุขเวทนาเท่านั้นจะเป็นบุคคลบุคคลผู้ที่สวยสุขเวทนาอยู่แต่ไม่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยสุขเวทนา นั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ที่สวยทุกขเวทนาอยู่บุคคลผู้ที่สวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้สวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่แต่ไม่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองยี่สอดสกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนเมื่อสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปะธรรมาใช่ไหมปรใช่สกสุขเวทนากับบุคคลผู้สวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่า ข้าพเจ้าสวยสุขเวทนาเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุกขเวทนาอทุกกมสุขเวทนากับบุคคลผู้ที่สวยอทุกกมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าสวยอทุกกรรมสุขเวทนาเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอง้อ ย, ยี่สิบสองปร ท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคตะปรมัตใช่ไหมสกใช่ปรรบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่มิใช่หรือสกใช่ปรรหากบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจิกัตะปรมัตา สองรอปรท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจิกถทะปรมาจใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลบางคนพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากบุคคลบางคนพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตต์สองร้อย่สกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์ใช่ไหมปรใช่สก บุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ที่ไม่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองยี่สิห้าสกเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัทธะ -parama ใช่ไหมปอร์ใช่สกกายกับบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเวทนาจิตธรรมกับบุคคลผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองอยยี่สกสกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจีรกะทะปรมัตใช่ไหมปรใช่สกพระสูต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโมคราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่า มีสติทุกเมือ่อถอนอัตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ข้ามจมุราเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มจุราจึงไม่เห็นมีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าเขาพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัะทะป a r a m a สองรอยี่สิเจ็ดสก บุคคลพิจารณาเห็นโลกใช่ไหมปรใช่สกพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปหรือเว้นจากรูปปรพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปสกชีว่ากับสิริระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปหรือเว้นจากรูปปรพิจารณาเห็นโลกเว้นจากรูป สกชีว่ากับสิริระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอง ย, ยสิบแปดสกบุคคลพิจารณาเห็นโลกใช่ไหมปรใช่สอก อ, อยู่ภายในรูปพิจารณาเห็นหรือออกไปภายนอกรูปแล้วจึงพิจารณาเห็นปรอยู่ภายในรูปพิจารณาเห็นสก ชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอยู่ภายในรูปพิจารณาเห็นหรือออกไปภายนอกรูปแล้วจึงพิจารณาเห็นปรออกไปภายนอกรูปแล้วจึงพิจารณาเห็นสกชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสองยี่สิปร ทัานไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาทีกาลวาทีภูตะวาทีตถวาทีอวิตถาวาทีอนัญญถวาทีไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นข้าพเจ้าจึงอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจกถธรรมิสองร้อยสามสิบปรท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตธรรมติใช่ไหมสกใช่ปรพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาที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 เพื่อสุกใสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นครับเจ้าจึงอย่งรู้บุคคลได้โดยสัจจ ก, กติป a r a m a สองรอยสามสิบเอ็ดสกท่านอย่งรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรม a m a t ใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาที ตวาทีตถวาทีอวิทธวาทีอันัญญาวาทีมิใช่หรือปอรอใช่สกพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสติกัตปรมัต สองร้อสอกอท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตใช่ไหมปอรรใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตถวาทีอวิตถวาทีอนัญญถวาทีไม่ใช่หรือปอรรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า อริยสาวกไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงใจว่าเมื่อเกิดทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อดับทุกข์เท่านั้นดับไปอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยกัจจานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นสัมมาทิฐิมีอยู่จริงนี่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตถปรมัตต์สองร้อยสามสิบสามกท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจกตะปรมัตต์ใช่ไหมปรอใช่สอกอวชิวราภิกษุณีกล่าวกับมานผู้มีบาปดังนี้ว่ามารเอย๋ยทิฏฐิของเจ้าเชื่อใครหนอว่าเป็นสัตว์ร่างกายที่เป็นกองแห่งสังขารล้วนๆ น, นี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลย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 ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตตสองรสามสิ่อกท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคตะประมัตตใช่ไหมปรใช่สกท่านพระอานนุนทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงไรเล่าหนอจึงตรัสว่าโลกว่างพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างก็อะไรเล่าชื่อว่าว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือจักษุว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากภูวิญญาณว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา จากขูสัมผัสว่างจากอัตตาหรือสิ่งท kind of <om> ี่เนื่องด้วยอัตตาแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโซตะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาสัทธะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาภาณะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา คันทะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาชิวหาว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารถว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตากายว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโหตพะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามณะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาธัมมารมว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา มโนโวิญ ญ, ญาณว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามโนสัมผัสว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือม่ใช่สุขม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเ ป, WAN, เป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอนน์เพราะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงเรียกว่าโลกว่างดังนี้ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปะธรรมะสองร้ยสามสิบห้ากท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปะธรรมะใช่ไหมปรใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาทีกาลวาทีภูตวาที ตัาวาทีอวิตถัวาทีอนัญญถาวาทีมิใช่หรือปอรอใช่สกพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่ออัตตามีอยู่ความยึดถือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของเราก็จะพึงมีใช่ไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามีอยู่ความยึดถือว่า สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของเราก็จะพึงมีใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อหาไม่พบอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโดยความเป็นจริงโดยความแน่แท้ทิฐิที่ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจกเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจากดํารงอยู่เทียบเท่าสิ่งที่คงที่อย่างนั้น นี้มิเป็นพานธรรมธรรมของคนโง่สมบูรณ์แบบละหรือทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นเป็นพานธรรมสมบูรณ์แบบทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะดังนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตต์ 6, สองสาสิบหกสก ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจกถตปรมัตใช่ไหมป ร, รใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตถวาทีอวิตถวาทีอนัญญถวาทีมิใช่หรือป ร, ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเสนิยะ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 วาทะนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะศาสดาสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปะธรรมะสองร้อยสากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจกติปะมรตมะใช่ไหม ปอรอใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตถวาทีอวิจตถาวาทีอนัญญถวาทีไม่ใช่หรือปอรอใช่สกพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่าหม้อเนยใสใช่ไหมปอรอใช่สกใครๆทําหม้อเนยใสมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตี่สองร้อ ส, ส, สอกอท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตะใช่ไหมปอรอใช่สกพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาทีกาลวาทีภูตะวาทีตถวาที อวิตถวาทีอนัญญะวาทีไม่ใช่หรือปอรอใช่สกพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่าหม้อน้ามันหม้อน้าผึ้งหม้อน้ำอ้อยหม้อน้ำนมหม้อน้ำภาชนะน้ำดื่มกระบอกน้ำดื่มขันน้ำดื่มนิตยาพัดทุววยาภูยาขูเที่ยงใช่ไหมปอรอใช่สก ยาคูบางอย่างเที่ยงยั่งยืนคงทนไม่แปรผันไปเป็นธรรมดามีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัตะปรมัติ์ยอ่อรวมประเด็นสำคัญในบุคลกคาถาแปดประเด็นคือหนึ่งอัตกะเนคหะสองปยาละ สสันทาวนิยะคติอนุโยคะสอุปาทายะอุปาธาปัญญตานุโยคะ 5. จิตตะ 6. กกลยานะปุริสัการานุโยคะเจอิธิอภิญญานุโยคะ 8. สุตตาหารณะปุคละกะถาจบ